รรมเสนาบดีสารีบุตรเป็นผู้ที่มีจิตอนุเคราะห์ญาติพี่น้องให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เขาตลอดกาลนานได้ท่านได้บรรลุแล้วสุสขใดอันประนีตมั่นคงไม่เจือด้วยทุกข์ท่านก็ปราถนาจะชักจูงญาติพี่น้องมาสู่ความสุขนั้นด้วยเมื่อท่านได้บวชในธรรมวินัยอันประเสริฐขัดเกลาอย่างยิ่ง และเป็นไปเพื่อนำสด อ, ออกจากทุก์ได้แล้วน้องชายของท่านห้าคนเป็นหญิงสามคนคือจาราอุปจาราและสีสุปจาราและน้องชายอีกสองคนคือจุนทะตลอุปเสนได้ออกบวชตามคําแนะนำของท่านเหลือน้องชายอีกคนเดียวที่ยังไม่ได้บวชคือเรวัตกุมาร ตลอดเวลานั้นมารดาของท่านยังไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาการที่พระสารีบุตรนําลูกหญิงและลูกชายถึงหคนไปบวชรวมเป็นหกทั้งองค์พระสารีบุตรด้วยนั้นได้กอ่อความสะเทือนใจแก่นางไม่น้อยอยู่แล้วเพราะนางยังมองไม่เห็นคุณค่าของการออกบวชการบวชเป็นการดํารงชีวิตอยู่อย่างลําบากยากจนลําบากในสายตาของนาง แต่เป็นความสุขสงบเย็นในความรู้สึกของท่านที่บวแล้วแต่นางหาได้มองเห็นสุขอันประเสริฐของการบรรพชาไม่ดังนั้นสิ่งที่นางกลัวที่สุดเวลานี้คือกลัวว่าพระสารีบุตรจะนำน้องชายคนเล็กเรวัตกุมารไปบวชอีกถ้าเหตุการณ์เป็นดังนั้นจริงนางจะทนได้อย่างไรความหวังทั้งหมดของนางเวลานี้ทุ่มเทลงที่เรวัตกุมาร หวังให้ดำรงวงสกุลเป็นที่พึ่งของนางในยามชรานางไม่เข้าใจเลยว่าความเป็นอยู่อย่างบรรพชิตที่ต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพนั้นจะประเสริฐอย่างไรนางยังไม่ได้สัมผัสกับแสงสว่างทางใจอันเป็นประทีปสองทางชีวิตทำให้ชีวิตมีความหวังอย่างเต็มที่ไม่ว้าวีด้วยเหตุดังกล่าวมานางจึงปรารถนาจะผูกมัดเปรวัดกุมาร ด้วยการคลองเรือนอะไรเล่าจะสามารถผูกใจชายได้เท่าเครื่องผูกคือหญิงรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสแห่งหญิงนั้นเป็นตะปูตรึงใจชายให้ติดอยู่หมกมุ่นอยู่พัวพันอยู่ยากที่จะสลัดออกไปได้เริวัดกุมารอยู่คลองเรือนก็จะเป็นผู้รับปรดกทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นของนางมิให้พินาศสูญสิ้นไป วันหนึ่งเมื่อพระสารีบุตรมาเยี่ยมโยมที่บ้านมารดาได้ปรารภเรื่องให้เรวัตกุมารแต่งงานกับกุมาริกาคนหนึ่งซึ่งมีทรัพย์และตระกูลเสมอกันเรวัตเพิ่งมีอายุเจ็ดขวบทำไมยโยมมารดาจึงรีบให้แต่งงานนักพระสารีบุตรถามปล่อยไม่นานท่านจะพาไปบวชเสอีกโยมต้องการให้เรวัตอยู่คลองเรือน พระสารีบุตรแย้มโอดหน่อยหนึ่งก่อนที่จะพูดว่าการคลองเรือนมีสุขน้อยมีทุกขมากมีความกังวลมากและสุขที่น้อยอยู่แล้วนั้นยังเป็นสุขปลอมเสียอีกเป็นอย่างไรเป็นสุขปลอมโยมไม่เข้าใจคือความสุขที่เจือด้วยทุกขไม่ปลอดโปรง่งไม่เป็นอิสระจบลงด้วยความคับแค้นเสียใจแล้วก็สุขอย่างไรที่เป็นสุขแท้ไม่ปลอม สุขที่อาตมาและน้องๆ อ, อีกห้าคนได้รับอยู่นี่แหละเป็นสุขแท้ไม่ปลอมไม่กังวลไม่ลงท้ายด้วยความทุกข์แต่ว่าโยมไม่ต้องการความสุขอย่างนั้นและไม่ต้องการให้เรวัตเดินทางไปทางนั้นโยมต้องการเห็นเรวัดคลองเรือนมีความสุขอย่างที่คนมีเย่าเรือนก็มีกันมิฉนั้นแล้วทรัพย์สมบัติที่ตระกูลของเรารวบรวมสะสมไวแล้วนั้น จะศูญย์หายไปหมดใครจะรับมรดกคนที่จะรับมรดกมีมากมายถ้าเราจะให้เขาคนยากจนเข็นใจในเมืองนี้ก็มีอยู่มากลานถ้าโยมจะบริจาคทรัพย์ถิ่นที่โยมบอกว่ามีอยู่มากมายให้แก่คนอนณาถาที่มีอยู่ทั่วไปทรัพย์สมบัติเท่านี้ก็ไม่เพียงพอได้สามไปเรื่องอะไรจะต้องไปให้เขาเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเรา เราหาทรัพย์มาด้วยความเหนื่อยยากต้องให้กับคนที่เรารักและพอที่จะเป็นที่พึ่งแกเราได้อาตมาได้ยินโยมพูดหนักใจเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติด้วยเกรงว่าจะไม่มีผู้รับประดภัจึงได้พูดไปอย่างนั้นอันที่จริงทรัพย์สมบัติภายนอกก็เป็นของที่อาศัยชั่วคราวมันไม่ยั่งยืนอะไรบางอย่างเขาจากไปก่อนบางอย่างเจ้าของเขาจากมันไป เมื่อตายแล้วก็นำติดตัวไปไม่ได้มันเป็นของโลกต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ใครจะเอาไปไม่ได้เลยแม้สักอย่างเดียวโดยที่สุดแม้อวัยวะร่างกายอันไปที่ห่วงแหนเป็นที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราก็เอาไปไม่ได้ต้องปล่อยทิ้งให้ญาติพี่น้องเผาในกองเพลิงพร้อมด้วยการร้องไห้คล่งครวญร่างกายและทรัพย์สมบัติภายนอกไม่มีประโยชน์อะไร นอกเสียจากว่าจะใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบคุณงามความดีเท่านั้นแม้พระธรรมเสนาบดีจะชี้แจงอย่างไรมารดาของท่านก็หานิยมคล้อยตาไม้ยังคงรักษาความคิดและทิฏฐิของตนไว้อย่างเหนียวแน่นมั่นคงจริงทีเดียวนักปราดผู้ประกอบด้วยปัญญาอันแหลมลึกกว้างขวางเป็นที่ยอมรับนิยมเลื่อมายของคนทั่วไป พูดจาอะไรก็มีคนคอยจำคอยจดคอยเงี่ยโสดลงสะดับเหมือนหงภาชนะไว้รองรับน้ำฝนอันรู้ว่าจะตกลงมาเป็นเพชรนินจินดาแต่เป็นการยากเหลือเกินที่จะให้คนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมีความรู้สึกเช่นนั้นไปด้วยไม่เห็นว่าไปอาจชักนา ม, มารดาให้นิยมตามตนได้แล้วพระธรรมเสนาบดีก็ลาจากไป และได้สั่งพิสูจน์ทั้งหลายผู้เป็นศาส ธ, ธรรมนิกว่าเรววัดกุมารน้นองชายของข้าพเจ้ามีความประสงค์จะบวชมาหาท่านทั้งหลายก็ขอให้บวชได้ทันทีไม่ต้องคอยให้ลาซึ่งมารดาบิดาขอให้ถือว่าข้าพเจ้านี่แหละเป็นทั้งมารดาและบิดาของเรววัดกุมาร ฝ่ายมารดาของพระสารีบุตรมีความมุ่งมั่นที่จะผูกเรวัตกุมารไว้ได้วยเพื่องผูกคือการคลองเรือนผูกด้วยโซ่คือสตรีจิงมั่นเด็กหญิงคนหนึ่งผู้มีตระกูลและทรัพย์สมบัติเสมอกันกำหนดวันเรียบร้อยแล้วประดับตกแต่งเรวัตกุมารพาไปสู่เรือนของญาติผู้ใหญ่ของกุมาริกานั้นพร้อมด้วยบริวารชนเป็นอันมาก เมื่อญาติทั้งสองฝ่ายประชุมกันพร้อมแล้วเพื่อเริ่มมงคลพิธีญาติทั้งสองฝ่ายให้กุมารและกุมาริกาจุ่มมือลงในถาดน้ำเรียบร้อยแล้วญาติผู้ใหญ่ได้กล่า ว, วอวยพรเด็กหญิงว่าขอให้เจ้าจงเห็นธรรมอย่างที่ยายของเจ้าได้เห็นแล้วขอเจ้าจงมีอายุยืนเช่นเดียวกับยายของเจ้าเรวัดกุมารได้ยินดั้งนั้นคิดว่า อะไรหนอคือธรรมที่ยายเห็นแล้วจึงถามขึ้นว่าคนไหนคือยายของกุมาริกานี้ญาติแนะนำหญิงชราคนหนึ่งให้เรวัตพู้จักรพร้อมกล่าวว่าหญิงชรานี้เป็นยายของเด็กหญิงท่านมีอายุได้ร้อยยี่สิบปีแล้วบัดนี้ฟันหักผมหมอกหนังหดเหี่ยวหย่อนยานตัวตกกะหลังโกงดุดกรอนเรือน กูกุมาริกาคนนี้เล่าจะเป็นอย่างคุณยายหรือถ้ามีอายุยืนนานถึง120ปิปีก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละประวัดกุมารคิดอย่างเด็กฉลาดและมีบา ร, รมีในทางธรรมว่าแม้สรีระที่สวยงามอย่างกุมาริกานี้ย่อมแปลผันไปสู่ความไม่งามพึงรังเกียจในที่สุดเพราะไฟคือชราเผาให้ไหม้เกรียม หลุดใบไม้สดในเบื้องแรกแปลเป็นสีเหลืองแล้วแล้วก็หล่นจากต้นถูกแดดแผดเผาให้เกรียมกรอบโดยรอบเป็นของไอ้ใครจับต้องไม่ได้เป็นประโยสารชีวิตชั้งหน้าสังเวชสลดใจสรีก ร, รอุปติสสะพี่ชายของเราคงจะเห็นความจริงในเรื่องนี้เป็นแน่แท้แล้วจึงสละทรัพย์สมบัติออกบวชอย่างไม่อะไรเราควรหาอุบายออกบวชเส็ในวันนี้แหละ เพราะแม้สรีระของเราเองก็ต้องลงท้ายด้วยความแก่และความตายเมื่อเสร็จพิธีแล้วญาติได้อุ้มเรวัดขึ้นสู่ยา น, น้อยพากลับบ้านของตนเรวัตหาอุบายได้อย่างหนึ่งคือเมื่อเดินทางมาได้หน่อยหนึ่งจึงบอกญาติว่าปวดท้องขอแวะลงทาธุระส่วนตัวขอให้หยุดยานไว้และรอคอยเขาได้ลงจากยานแล้วเข้าไปยังพุ่มไม้แห่งหนึ่ง ทำชักช้าอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็กลับปัสู่ยานอย่างเดิมเขาทําอย่างนี้บ่อยครั้งจนญาติพี่น้องสิ้นสงสัยนอนใจว่าเรวัตช่างขยันไปขยันมาใช่จริงจึงเลิกระวังรักษาครั้งหลังสุดเรวัตลงจากยานบอกญาติว่าขอให้ขับยานล่วงหน้าไปก่อนอีกสักครู่จะตามไปญาติผู้สิ้นโลวงจึงขับยานล่วงหน้าไป เรวัดได้โอกาสจึงเดินเข้าไปในป่าพบสำนักสงฆ์ซึ่งมีภิกษุพังนักอยู่ประมาณสาสบรูปเขาเข้าไปไหว้ท่านทั้งหลายขอบวชภิกษุทั้งหลายเห็นเธอประดับประดาด้วยสัพพาพรเออสวยงามมีราคามากจึงว่าพ่อหนุ่มน้อยท่านประดับประดาด้วยเครื่องอลังการพร้อมสับอย่างนี้ข้าพระเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นพระราชาโอรส หรือบุตรของมหาอมาตย์จะให้ท่านบวได้อย่างไรพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจำกระผมไม่ได้หรือไม่รู้จักเลยพ่อหนุ่มกระผมเป็นน้องชายของท่านอุปติสะอุปติสะคือใครท่านทั้งหลายเรียกอุปติสักพี่ชายของกระผมว่าสารีบุตรสารีบุตรดังนี้ออถ้าอย่างนั้นมาเถิดผู้มีอายุ พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรสั่งว่าเหมือนกันว่าถ้าท่านมาหาเราขอให้พวกเราบวชให้ทันทีไม่ต้องขออนุญาตมารดาบิดาภิกษุทั้งหลายให้เรวัดบรรพชาเป็ส ม, มเด็จโดยการให้เล่งวาจาถึงพระรัตนไกรรับศินสิทแล้วบอกตจัปัญจกะก ร, รมฐานให้อันตจัปัญจกะก ร, รมฐานนั่นคือก ร, รมฐานซึ่งมีหนังเป็นที่ห้า กล่าวคือผมขนเล็บฟันหนังให้พิจารณาสิ่งทั้งห้านี้โดยความเป็นของปฏิกูลพึงครังเกียติโดยนัยเป็นตนว่าเอาไปว่าซึ่งเห็นได้ง่ายทั้งห้าส่วนนี้ปฏิกูลโสโครกอยู่โดยสภาพธรรมดาผู้เป็นเจ้าของหรือผู้สมคัญตนว่าเป็นเจ้าของจึงต้องชำระล้างหรือขัดถูอยู่วันละหลายๆครั้งเพื่อ กำจัดความปฏิกูลโดยสภาพธรรมดาของมันถ้าวันใดไม่ชำระร้างก็สกรปรกมีกลิ่นเหม็นพึงระเกียจแม้เจ้าของเองก็ระอาตัวเองผมก็ตามหนังก็ตามที่พุทุชนเห็นสวยงามนั้นพอส่วนใดส่วนหนึ่งลงเข้าไปในอาหารหรือน้ำดื่มก็รังเกียจไม่ดื่มไม่กินอันหนึ่งที่เห็นสวยงามก็เพราะราคาความกหนัดย้อมใจ ให้เห็นผิดไปอย่างนั้นร่างกายนี้โดยทั่วๆไปเป็นของหมักผมด้วยสิ่งปฏิกูลนานาประการตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมาจะหาอะไรสะอาดสักชิ้นหนึ่งก็ไม่มีร่างกายนี้มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเพียงเพื่อปกปิดน้ำเลือดน้ำเหลืองอันเอิบอาพอยู่ทั่วร่างกายนี้ จึงมีความสุขโสมเป็นธรรมดาในที่สุดก็แก่และตายสุดที่จะแก้ไขอีกต่อไปคนที่เกิดมาแล้วจะไม่แก่ไม่ตายนั้นเป็นไม่มีการประครับประคองกายนี้ไว้จึงเหมือนกลิ้งครบขึ้นภูเขาวางมือไม่ได้วางมือเมื่อใดครบก็กลิ้งลงทันทีร่างกายนี้ก็เหมือนกันอยู่ได้โดยการประครับประคองจึงน่าเบื่อหน่ายิ่งนัก สมนเนเรวัมีใจโน้มเอียงในทางนายโลกีเป็นทุนอยู่แล้วเมื่อได้ฟังโอวาทของท่านอุปชาดัางนี้ก็เพิ่มแรงแห่งความปรารถนาที่จะสลัดตนให้พ้นภัยแห่งกันดานคือความเกิดแก่เจ็บและตายมากขึ้นเปรียบเสมือนน้ำที่พบทางไหลอันไม่มีอุปสรรคขวางกัน้น เมื่อภิกษุทั้งหลายได้บรระชหยสมณเณรเรวัดแล้วก็ส่งขาวไปกราบเรียนให้พระสารีบุตรทราบพระธรรมเสนาบดีพอใจยิ่งนักที่น้องชายคนเล็กได้ก้าวลงสู่มักคาอันประเสริฐเพื่อเดินทางไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกท่านทูลลาพระผู้มีพระภาคขอไปเยี่ยมสมณเณรน้นนองชายพระพุทธองค์ผู้มีอนาคตังสยานอันแจ่มใสทรงมองเห็นการข้างหน้า สมืนบุคคลผู้มีตาดีทั้งสองข้างมองดูตนเองในกระจกใสทรงยับยั้งพระสารีบุตรไว้ว่าสารีบุตรท่านจงยับยั้งอยู่ก่อนเถิดอย่ารีบไปเลยอีกสองสามวันต่อมาพระอัครสาวกเบื้องขวาทูลลาอีกพระาศาสดาก็ทรงยับยั้งไวเช่นเดิมพร้อมกับตรัสว่าสารีบุตรคอยก่อนเถิด แม้ว่าเราก็จะไปเยี่ยมสามเณรน้นองชายของเธอเหมือนกันฝ่ายสามเณรคิดว่าระบวชแล้วถ้ายังพมนักอยู่ณที่นี่ต่อไปญาติพี่น้องคงจะต้องมาตามหาและนํากลับไปสู่เรือนอีกจึงตัดสินใจจะเรียกเร้นจากที่นั้นไปเร้นอยู่ในป่าลึกเมื่อแน่ใจดังนี้แล้วก็ขอเรียนกรรมฐานจากพระอุปชาตั้งแต่ต้นจนเพียงพอที่จะบรรลุอรหัตผลได้ แล้วก็ถือบาดและจีบวนเข้าไปในป่าลึกเป็นป่าไม้สะแกนั่นเองพยายามทําความเพียรติดต่อมอบกายถวายชีวิตให้แก่การปฏิบัติธรรมและได้บรรลุอรหั ต, ตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทธ์ทั้งหลายในภาษานั่นเองการประพฤติธรรมและการบรรลุธรรมไม่เกี่ยวกับอายุแต่ว่าเกี่ยวกับบารมีผู้มีบารมีแม้อายุน้อยก็มีธรรมในใจมากได้ ส่วนผู้ไม่มีบารมีแม้อายุมากแล้วมีเหลนแล้วผมงอกแล้วงอกอีกก็หาได้สนใจทำไหม่เดพูดถึงว่าจะบรรลุธรรมเลยและในศาสนานี้ผู้ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์แล้วแม้อยังเป็นสามเณรท่านก็เรียกกันว่าเถระโดยถือเอาคุณธรรมเป็นเกณฑ์เมื่อออกภรษาปวารณาแล้ว พระสารีบุตรทูลลาพระาศาสดาอีกพระพุทธองค์ตรัสว่าสารีบุตรแม้เราก็จะไปที่นั่นเหมือนกันครั้งนั้นมีภิกษุสงจํจำนวนร้อยตามเสด็จเมื่อเสด็จไปถึงทางสองแพร่งพระอนน์กราบทูลว่าพระเจ้าค่าทางที่จะไปยังสำนักของพระเร ว, วันั้นมีอยู่สองทางทางหนึ่งเป็นทางอ้อมมีระยะทางประมาณ60โยชน เป็นที่อยู่ของมนุษย์ทั้งหลายส่วนอีกทางหนึ่งเป็นทางตรงมีระยะทางประมาณ30สโยชน์เป็นที่อยู่ของอมนุษย์อันอมนุษย์คุ้มครองแล้วจะโปรดเสด็จไปทางใดพระสากยามุนีตรัสถามว่าอานอนท์สีวลีมากับพวกเราด้วยไม่ใช่หรือมาด้วยพระเจ้าข้าอานอนท์ถ้าสีวลีมาด้วยก็ขอให้ไปกันทางตรงนี่แหละ อันพระเสวีนั้นได้รับยกย่องจากพระทศพลว่าเป็นภะษาวกผู้เลิศกว่าใครในทางมีลาบเพราะบุญบารมีแต่ปางบันแต่ด้วยวิบากแห่งอกุศลกรรมบางอย่างทำให้ท่านต้องอยู่ในคันของพระมาดาถึงเจ็ดปีและพระมาดาปวดคันอยู่ถึงเจ็ดวันดังกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นอกุศลกรรมนั้นคือสมัยหนึ่งท่านเกิดเป็นพระราชา ได้ยกกองทัพไปล้อมนครหนึ่งไว้ประชาชนของนครนั้นได้อาศัยประตูหลังออกไปหาข้าวหาฟืนและบริการแห่งชีวิตอื่นๆจึงสามารถรักษาพระนครไว้ได้เป็นเวลานานต่อมาพระราชชนนีของพระราชาจะทราบในเหตุใดเหตุหนึ่งจึงบอกพระราชาราชโอรสว่าชาวนครอาศัยประตูเล็กดน้าหลังเข้าออกหาเครื่องเลี้ยงชีพ ถวังชัยชนะในเร็ววันก็ให้ปิดประตูหลังเสียพระราชาจึงให้ปิดประตูหลังแห่งพระนคร น, นั้นเสียประชาชนไม่มีทางออกต้องประสบความลำบากเพราะการขาดแคลนข้าวน้าพระราชาจึงสามารถยึดอนคร น, นั้นได้สมพระประสงค์พระราชาผู้ยกกองทัพไปล้อมพระนครในครั้งนั้นก็คือพระศรีวลีนั่นเองส่วนประมาณดาของพระราชาในครั้งนั้น คือพระมารดาของพระศิวลีในการนี้ส่วนกุศลกรรมอันอํานวยผลให้ท่านเป็นผู้เลิศด้วยลาบมีดังนี้ในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระท่านได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งได้รับยกย่องจากพระศ า, าสดาพระองค์นั้นว่าเป็นผู้เลิศด้วยลาบได้รับการแต่งตั้งจากพระศาสดาให้เป็นเอตัทธาคะในทางเลิศด้วยลาบ ท่านปรารถนาจะเป็นเช่นนั้นบ้างจึงทูลอรัตนาพระปทุมุตตระทศพลแล้วถวายมหาทานตลอดเจดวันตั้งความปรารถนาเฉพาะประพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าต่อไปในอนาคตขอให้เป็นผู้เลิศดีลาบเช่นเดียวกับภิกษุผู้เป็นเอตถะคะในทางเลิศดีลาบนั้นพระาศาสดาทรงตรวจดูความเป็นไปของทายกผู้นั้นแล้ว ไม่ทรงเห็นอันตรายหรืออุปสรรคใดๆในความปรารถนาของเขาจึงพยากรณ์ว่าเขาจะได้รับตำแหน่งนั้นในาศาสนาของพระโคโดมในอนาคตต่อมาอีกในาศาสนาของพระวิปัสสีทศพลบุรุษผู้นั้นหลังจากที่ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานา น, านแล้วมาเกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลจากพันธุมดีราชธานีสมัยนั้น พระราชาแห่งพันธุมดีและประชาชนชาวพันธุมดีต่างเตรียมถวายมหาทานและถวายแข่งกันโดยการจัดขาธิยโพชญญาหารอันปรนีตให้มีประเภทคุณภาพและปริมาณที่เท่ากันหรือยิ่งกว่าวันหนึ่งเป็นวาระของชาวนครที่จะถวายมหาทานแด่พระสงฆ์มีพระวิปัสสีสามมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุก ประชาชนตรวจทายธรรมของตนแล้วเห็นว่ายังขาดน้ำพึ่งอยู่จึงให้คนไปคอยดักอยู่ที่ปากทางที่คนจากชนบทจะเดินทางเข้ามาอย่างพระนครทุกด้านดังนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งออกจากบ้านมองหาที่เดินเล่นนั่งเล่นอันผาสุกสำหรับตนได้เห็นรวงพึ่งรวงหนึ่งโตพอประมาณสวยงามเขาคิดว่าเป็นบุญของเราแล้ว จึงถือเอารวงพึ่งรวงนั้นเดินเข้าไปยังละครผู้ซงมายืนคอยดักอยู่ที่ปากทางนั้นเห็นบุรุษนั้นเดินถือรวงพึ่งมาจึงถามว่าจะนำรวงพึ่งไปให้ใครไม่ได้นำไปให้ใครจะนำไปขายหรือขายให้เราเถิดนี่เงินว่าแล้วก็ส่งเงินให้จานวนมากมากกว่าราคาของรวงพึ่งที่เจ้าของรวงพึ่งคาดหมายเขาคิดว่า รวงพึ่งนี้ราคาก็ไม่เท่าไรแต่ว่าฉะไหนผู้นี้จึงให้กหาปณะแกเรามากเหลือเกินเราน่าจะทดลองดูเท่านี้ไม่ขายเขากล่าวแล้วท่านจะเอาเท่าไรสิบกหาปณะเอาไหมไม่ได้ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขึ้นให้ท่านร้อยกหาปณะก็แล้วกันไม่ได้หนึ่งพัน เขาสงสัยเป็นกำลังจึงถามว่าบุรุษผู้เจริญรวงพึ่งนี้ราคาจริงๆก็ไม่เท่าไรเหตุไรท่านจึงให้ราคาแก่ข้าพเจ้าถึง 1.000 ันกะหาปะนะเล่าบุรุษผู้นั้นเล่าความจริงให้เขาฟังทุกประการและเสริมว่าชาวนาครจะต้องพ่ายแพ้ในการให้ทานวันนี้ถ้าไม่ได้น้ำพึ่งของท่านชายผู้นั้นเป็นคนบ้านนอกแต่เป็นผู้มีปัญญารู้จักคิด เขาคิดว่าที่เราเกิดมาลำบากยากจนในชาตินี้ก็เพราะว่าไม่ได้บาเพ็ญทานบา ร, รมีในชาติก่อนบัดนี้ทายธรรมของเราก็มีอยู่ทักในยบุคคลผู้ประเสริฐคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีอยู่เราควรถวายรวงพึ่งแด่พระศาสดาได้ตนทีเดียวเขาไม่ยอมขายรวงพึ่งแม้ด้วยราคาตั้งพันกหาปะนะรีบไปยังที่ประชุมถวายสังฆทาน เขารู้โอกาสอันถึงแก่ตนแล้วเข้าเฝ้าพระาศาสดาน้อมน้ําพึ่งที่บรรจุอยู่ในใบบัวเข้าไปถวายพร้อมถูลว่าขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดรับบรณาการของคนเข็นใจเพื่ออนุเคราะห์ฆ่าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าข่าพระบรมศาสดาทรงรับน้ําพึ่งของเขาแล้วก็ทรงอธิษฐานให้น้าพึ่งที่เขาถวายแล้วนั้นเพียงพอแก่ภิกษุจำนวนพัน เมื่อภิกษุสาวกจำนวนนั้นฉันอยู่ขออย่าได้หมดเส้นไปเมื่อเสร็จพัฒกิจบุรุตผู้นั้นถวายอภิวาทพระบรมศาสดาแล้วยืนอยู่ะที่ควรแก่ตนกราบทูลว่าพระเจ้าข้าได้อานิสงส์แห่งคุศลกรรมของข้าพระองค์ในครั้งนี้ขอข้าพระองค์พึงเป็นผู้เลิศด้วยลาบในภพที่ข้าพระองค์เกิดทุกภพชาติเถิดพระพุทธองค์ทรงอนุโมทนา บุรุษผู้นั้นท่องเที่ยวภายในภูมิเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานานในพุทธกาลนี้มาบังเกิดเป็นโอรสของพระนางสุปวาสาโกริยธิดาคือท่านพระศิวลีนั่นเองนี่คือบุพกรรมของพระศิวลีผู้เลิศโดยาบในศาสนานี้ผู้มุ่งผลอย่างใดก็ต้องทำเหตุเมื่อทำเหตุแล้วก็ไม่เร่งผลผลจะให้เมื่อใดก็ช่างเถิด แต่ผลนั้นจะให้เมื่อสุกเต็มที่แล้วและเป็นผลอันยั่งยืนพระศรีบาลีนั้นได้ทำบุญกุศลและปราธนาความเป็นผู้เลิศโดยลาบเฉพาะพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงสองพระองค์บัดนี้ผลนั้นได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วท่านเป็นผู้เลิศโดยลาบแต่ไม่ติดลาบเมื่อพระาศาสดาเสดไปทางตรงซึ่งตรากันดานแต่มีพระศรวลีตามเสดไปด้วยนั้น เทวดาในป่าคิดว่าบัดนี้พระศิวบาลีพระผู้เป็นเจ้าของเรากำลังมาเราควรทําสการะแก่พระผู้เป็นเจ้าของเราดังนี้แล้วแล้วชวนกันสร้างที่พักสำหรับภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ห่างกันแห่งละโยชน์คือโยชหนึ่งมีที่พักแห่งหนึ่งและที่พักอันสำเร็จด้วยเทวานุภาพนั้นเพียงพอแก่ภิกษุสงฆ์ทุกรูปที่ตามเสด็จ เทวดาผู้เป็นสมาธิติเหล่านั้นลุกขึ้นแต่เชา้าถือเอาอาหารมีข้าวต้มเป็นต้นอันเป็นทิพย์เที่ยวไปตรวจดูว่าพระผู้เป็นเจ้าศีวลีของเรานั่งตรงไหนหนอพระศิีวลีเทระให้เทวดานำอาหารนั้นๆถวายแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยอาการอย่างนี้พระาศาสดาพร้อมด้วยบริวารได้อาศัยบุญของพระศีวลี เสร็จผ่านทางกันดาลถึงสามสิโยชนฝ่ายพระเรวัตเถระทราบว่าพระศาสดาและภิสุงสง์จำนวนมากรวมทั้งพระสารีบุตรด้วยกำลังเสร็จมาสู่สำนักของตนจึงเนรมิต ท, ที่พักจำนวนมากไว้ต้อนรับพร้อมทั้งที่จงกรมเพียงพอแก่จำนวนอาคันทุกะพระศาสดาประทับอาศัยอยู่นาะสำนักพรเรวัตในดงไม้สแก เป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนจึงเสด็จกลับราตีสุดท้ายที่เสด็จกลับนั้นตอนใกล้รุ่งทรงแผ่คายคือพระยานไปตรวจดูอุปนิสัยของเวนัยสัตว์ที่พระองค์พอจะโปรดได้ทรงทราบวารากิจของภิกษุวางรูปที่ตามเสด็จมีพระประสงค์ใช้ภิกษุผู้เข้าใจผิดเหล่านั้นทราบความจริงด้วยตนเองในจำนวนภิกษุที่ตามเสด็จพระาศาสดานั้น มีภิกษุแก่สองรูปนึกติเตนพระเรวัตและพระาศาสดาว่าพระเรวัตมัวทําการก่อสร้างโมโหลาณอยู่อย่างนี้จะทําสมรธรรมได้อย่างไรกันแม้พระาศาสดาก็เสด็จมาพักณสํ า, สานักของพระผู้ขวนขวายในการก่อสร้างเห็นป่านี้ก็เพราะพระองค์ทรงเห็นแก่หน้า